โอกาสพระเ่พระคุณพระพรหมทนีกรรมการมหาเถรสมาคมประธานคณะกรรมการของมหาเถรสมาคมฝ่ายศาสนาประการและท่านพระเถรานุเคราะทุกครูขอจเจริญพรท่านพระดิธิบดี ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่านผู้จัด ก, การสร ส, ร ส, รสรและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในฐานะผู้มีส่วนในการมาร่วมลงนามเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านสาธรารณประกาศด้วยการส่งเสริมให้วัดทั่วประเทศดำเนินตามกรอบของ5้สองมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าในส่วนตัวและทั้งในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชิทัย ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มานานขอสมควรทั้งในเรื่องของการปฏิรูปทั้งในเรื่องของกิจกรรม5สอก็ขอเรียนและเจริญพรว่าเรื่องของวัดกับกิจกรรม5สอเมื่อทางสสส และทางมหาจุฬาโดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ต้องการทาเรื่องนี้ให้เป็นรูปธปรรมก็ได้ให้คำแนะนำว่าให้ไปดูงานที่คณะสงฆ์ท่านทำไว้แล้วเหมือนกับต้นแบบก็บังเอิญว่าในฐานะเจ้าคณะภาคสองได้แจก ใบประากาศนิยบัติยกย่องวัดที่ชนะประกวด5สอทุกปีที่จังหวัดอยู่ในเขตภาค2ก็คือจังหวัดสระบุรีท่านเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีกับผู้ว่าราชก า, ารจังหวัดร่วมมือกันอย่างดี โดยทางคณะสงฆ์ประกาศให้วัดทั้งจังหวัดดำเนินกิจกรรม5สองตามเกณฑ์มากรฐานที่เราพูดถึงกันแต่ในการประเมินในการคัดเลือกวัดที่ได้รับรางวัลได้รับความร่วมมือจากภาครัฐภาคราชการก็คือทางผู้ว่าราชการจังหวัด ส่งทีมส่งคณะไปร่วมกับคณะสงฆ์ในการประเมินและเมื่อได้รับการประเมินก็มามอบประการเสบบทยกย่องกันในการประชุมพระสังฆาธิการประจำปีดังนั้นเมื่อทางมหาจุลาโดยเฉพาะสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์และททนสอ ส, อ, ส อ, อยากจะได้รูปแบบ ในการดาเนินการตรงนี้ก็บอกให้ไปดูที่สระบุรีเมื่อเช้านี้ท่านผู้จัด ก, การสสก็ามามายืนยันมาเล่าให้ฟังอาลงไปดูและก็มาทำเกณฑ์มาตรฐานแล้วก็มีวัดนำล่องสี่วัดและก็ขยายไปสู่วัดที่ให้ความร่วมมือ เข้าโครงการอีกร้อยวันและได้ทราบว่าอีกหกเดือนนี้จะขยายให้ถึง 1,500 วันในส่วนของมหาวิทยาลัยสงฆก็ร่วมมือกันในเรื่องของการวิจัยการกำหนดเกณฑ์การกำหนดขั้นตอนและลงไปให้การสนับสนุนในเรื่องอื่น ในส่วนขององคอ์กรที่มาลงนามกันทั้งหมดบนเวทีนี้ก็จะมีส่วนร่วมในการดำเนินการทั้งหมดเช่นเดียวกันซึ่งมีประธานคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพิษนาด้านสาธารณการเป็นแม่งานหลักตรงนี้แหละให้ความรู้สึกยินดี เพราะเราเข้าสู่โหมดของการปฏิรูปที่เกินมาตอนต้นว่าจังหวัดนั้นทำจังหวัดอื่นก็คงทาด้วยเนี่ยมันยังไม่ใช่วาระเหตุการปฏิรูป ม, มันเป็นเรื่องที่ใครใครทำก็ทำวัดไหนพร้อมหรืออยากจะทำก็ทำมันไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ มันไม่ใช่ปฏติรูปปฏิรูปที่เราพูดถึงการนั้นหมายถึงการทำให้เหมาะสมให้ควรให้ดีงามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราพูดทั้งประเทศไม่ว่าจะด้านการปกครองจนถึงสาธารณสมพรไม่ใช่เรื่องที่วัดไหนอยากทำก็ทำอีกแล้ว อันที่จริงคณะสงฆ์ได้ทำงานมากมายหลายอย่างหลายประการในหกบวกหนึ่งเนี่ยแต่ว่าแยกกันทำและวัดไหนถนัดเรื่องใดก็ทำเรื่องนั้นมันจึงไม่เกิดพลังไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เห็นเป็นรูปกระทำเรื่องห้าสก็ทำ เรื่องพระนักพัฒนาเราก็ทำเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ทำแต่ถ้าทำกันทั้งประเทศวัดทั่วประเทศสี่0มืนวัดเนี่ยทำห้าสองหมือนกันคนเข้าวัดก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงทุกวัดว่าเกิดอะไรขึ้นในสิ่งที่ดีงามในพระพุทธศาสนาและตรงนี้แหละ ที่มหาเถรสมาคมได้อนุมัติให้ความผูนชอบโครงการ13าโครงการของคณะกรรมการหบวกหนึ่งคณะกรรมการปกครองศึกษ า, าศาสนาศึกษาศึกษ า, สาสเฉพาะเผยแผ่สนูประการศาสนาเฉพาะและพัฒนาพุทธมนตรให้เป็นศูนย์ตามศาสนาโลกอนุมัติแผนแม่บทเรียกว่าแผนยุทธศาสตร์ แล้วก็โครงการที่จะปฏิบัติให้หกฝ่ายเนี่ยเลือกมาฝ่ายละสองโครงการนำเข้าสู่ที่ประชุมมหาเทรนสมาคมให้ความผิดชอบพุทธมนตรมีหนึ่งโครงการห2สองสิบสองบวกหนึ่งก็เป็น1ิบาผ่านที่ประชุมมหาเทรนสมาคมไปหลายเดือนแล้ว วันนี้ท่านรัฐมนตรีสุวรรณพันธ์ได้ปารถก่อนเข้าที่ประชุมว่าคณะสงฆ์ได้ดาเนินการไปหลายเรื่องอยากจะรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบในฐานะที่เป็นท่านกำกับดูแลก็เรียนกับพระเทพพระคุณพระพรหมพุทโธโดยท่านรัฐมนตรีบอกว่าและผ่านสำนักคุทธบอกว่าสรุปรวบรวมสิ่งที่เราทาทั้งในเชิงเอกสาร และในเชิงเป็นวีดีทัศน์สั้นๆไปรายงานให้ที่ประชุมทราบว่าพระสงฆ์คณะสม์ท่านทำอะไรไปถึงไหนรัฐบาลก็จะต้องเอาเรื่องนี้ไปรายงานสอ น, อนชต่อทางสานักพุทธท่านรองรองผ อ, อก็บอกว่าเดี๋ยววันที่ยี่สเอ็ประมวลเรื่องเข้าที่ประชุมมหาเทสมณมรวมทั้งเรื่องนี้ด้วย ที่เราลงน้ำกันวันนี้ซึ่งได้ทำเป็นตุ๊กตาไว้เนี่ยจะได้รายงานรัฐบาลก็ถือว่าเป็นเพราะฉะนั้นจึงถือว่าพิธีวันนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะมีความสำคัญต่อฝ่ายฐานุประการเท่านั้นแต่ยังเป็นหน้าเป็นตาของงานปฏิรูปคณะสงฆ์ส่วนหนึ่งด้วยว่าเราทาจริง และไม่ได้ทำกันเป็นฝ่ายไม่ฝักทางคณะสงผู้แทนแต่ละจังหวัดจ้าคณะจังหวัดเองผู้แทนบ้างและฝ่ายคอสอจอทั่วประเทศก็มารับรู้และขยายผลตอบและการที่เราทำก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของการปฏิรูปกิจการของพระศาสนาเท่านั้น แต่เป็นการดำเนินการปฏิรูปเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมของสังคมก็ไปเข้ากับหัวข้อว่าวัดประชารัฐวัดประชารัฐสร้างสุขคำว่าวัดประชารัฐเป็นภาพรวมเขาเรียกว่าแมคโร ถ้ากวา้างระดับประเทศระดับจังหวัดถ้าในระดับผู้ปฏิบัติในท้องถิ่นในตำบลเราเรียกว่าบวรบวรก็มาจากบ้านวัดโรงเรียนราชการบ้านก็คือประชาวัดก็คือวัด รัฐก็คือโรงเรียนรัชการคือรัฐธรเมื่อเราทำงานร่วมกันเป็นสามประสานเอกชนรัฐและก็วัดแต่ครั้งนี้เข้าเรื่องการปฏิรูปกิจการพระศาสนาเพราะวัดเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมนี้แม้เราจะเอาวัดเป็นตัวหน้า ประชารัฐแต่ศูนย์กลางของการดำเนินการเอาวัดเป็นตัวตั้งวัดเป็นศูนย์รวมของชุมชนถ้าวัดได้ตื่นตัวลูกออกมาทำกิจกรรมและชักชวนประชาคือชาวบ้านรับความร่วมมือจากองค์กรการปกครองท้องถิ่น อ, อบอตอและอื่นๆโรงเรียนการปฏิรูปมันไม่ใช่จะอยู่แต่ในวัดมันจะเป็นการหมุนกงล้อแห่งการพัฒนาไปถึงชุมชนไปถึงชาวบ้านและการพัฒนาที่พึงประสงค์ที่หมุนไปนั้นมันสร้างสุขสุขตัวนี้มีเประอ ย, ย่าง เพราะเราพูดด้วยภาษาพูดว่าสุขแต่ในคำรายงานในของท่านผ อ, อสนักพุทธหรือคำกล่าวเปิดท่านหมายถึงสุขภาวะสุขภาวะไม่ใช่สุขภาพเราเชินกับการพูดว่าสุขภาพแต่สุขภาวะนั้นเราสุขสุขภาพเนี่ยแปลมาจากภาษาเษป็นว่าเ l t h แต่สุขภาวะแปลจากภาษาอังกฤษว่า well-being สุขภาวะความหมายมันกว้างกว่าพอเ a l t h เนี่ยเรานึกอถึง the, uh, uh, WHO World Health Organization องค์กรอนามัยโลกซึ่งเขาดูแลเรื่องสุขภาพกายแต่พอพูดถึง well-being เนี่ยสุขภาวะเนี่ย มันหมายถึงสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นสุขภาวะทางกายและทางจิตสุขกายและสุขใจถ้าพูดภาษาเราก็คือสุขมีสองกายกะสุขสุขทางกายเจตสิกกสุขสุขทางจิตใจมันจึงเปิยใหญ่ และ ว, วันนี้ในที่ประชุมก็มาขยายเป็นสี่ด้านเจนต้องพูดให้ตรงกันเวลาที่จะไปหมุนกงล้อแห่งการพัฒนาอาวัตเป็นส่วนต่างเนี่ยต้องครบสี่ด้านทางกายภาพสิ่งแวดล้อมทางสังคมทางจิตทางปัญญาถ้าพูดในภาษาของพระคืคอภาวนาสี คำเหล่านี้มาจากศัพท์ของตะก็ต้องพูดให้ชาวบ้านเข้าใจอีกกายสังขผมจิตปัญญาเนี่ยมาจากภาวนาสี่ประการภาวนาแปลว่าการเจริญหรือพัฒ น, นากายะไอเช่นจิตภาวนานี่คือพัฒ น, นาจิตไม่ใช่ภาวนาท่องบน จิตภาวนาคือการพัฒนาจิตในภาษาบาลีท่านไม่ใช้คําว่าวัฒนะหรือพัฒนาเพราะวัฒนะมันหมายถึงเติบโตทางกายภาพจึงมีพุทธภาษิตว่าการเติบโตทางกายภาพเนี่ดีก็ได้เลวก็ได้หญ้ามันโตก็เรียกหญ้าพัฒนาในภาษาบาลีวัฒนะเนี่ย เขาจะมีพุทธภาสิทธวานัสิยาโลกะวัฒโนอย่าพัฒนาไปจนเป็นคนรบโลกมันจึงมีทั้งบวกทั้งลบนการพัฒนาเนี่ยซึ่งการพัฒนาสารเศรษฐกิจร่ำรวยขึ้นเป็นเชิงบวกแต่ไปทำลายสิ่งแวดล้อมน้ำเน่า ทำลายวัฒนธรรมตัดไม้ทำลายป่ามันเป็นพัฒนาในภาษาบาลีว่าวัฒโนแต่เรากำลังพูดถึงการพัฒนาที่ไม่มี s i d เอ f เฟ c t ไม่มีผลข้างเคียงภาษาบาลีใช้คำว่าภาวนาภาวนามีสี่ประการหนึ่งกายยภาวนาพัฒนากาย สศีลภาวนาพัฒนาศีลคือสังคมการอยู่ร่วมกัน3จิตภาวนาก็คือพัฒนาจิตสปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเวลาที่เราพัฒนาอะไรต้องให้ครบสี่ด้านพัฒนากายพัฒนาสังคมพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาสุขภาวะก็คือการพัฒนาสี่ด้าน เวลาที่บอกว่าวัดประชารัฐสร้างสุขคือดำเนินการให้เกิดภาวนากายกายภาวนาสีละภาวนาจิตภาวนาและปัญญาภาวนาพอพูดถึงสีด้านขึ้นมาไม่ได้อยู่แค่งานของสาธรารณการละมันจะครบทุกด้านเลยตั้งแต่ฝ่ายปกครองจนถึงสาธรารณสงเคราะห์ เพราะเราถ้าเราพูดถึงพัฒนาจิตเรานึกถึงฝ่ายเผยแผ่ฝ่ายเผยแผ่จะต้องสอนกรรมฐานจะต้องพัฒนาจิตใจถ้าพูดถึงการพัฒนาปัญญาเรานึกถึงศาสนศึกษาศึกษาสงเาะห์รวมถึงปัญญาภาวนาคือการเทศการสอนถ้าเราพูดถึงกายภาวนาพัฒนากายเราพูดถึง การพัฒนาท้องถิ่นพระนักพัฒนาพัฒนาแหล่งน้ําปลูกต้นไม้เราทึกนึกถึงงานสาธารณสงเคราะห์เรานึกถึงงานสาธารณกุศลในเรื่องของสอนศิลธรรมในโรงเรียนศีละภวนาเรานึกถึงการสืรรส่อสารสงเคราะห์ส่งพระไปครูพระสอนศิลธรรมไปอยู่ในโรงเรียน ในฝ่ายปกครองเราพูดเรานึกถึงอะไรความเป็นระเบียบวินยัยเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธารวมถึงพุทธมนตรก็อยู่ในงานทั้งหกดังของคณะสงฆ์เพราะฉะนั้นเราจับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันโยงถึงกันหมดเวลาที่เราพูดถึงบวรวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนและสร้างความสุขให้กับสังคมเป็นต้นแบบ ก็หมายถึงวัดต้องทาภาระหรือพันธกิจทั้งหกด้านปกครองให้มีความมน่าศรัทธาหน้าเริ่มใสให้พระมีความรู้ด้านาศาสนาศึกษาเพื่อไปเทศไปสอนเป็นผู้นำทางจิตใจและปัญญาสงเคราะห์ให้การสงเคราะห์ในการศึกษาของเด็กเยาวชนของประชาชนเผยแร่ทั้งเทศทั้งสอนทั้งกรรมฐาน ั้งทานสื่อทุกรูปแบบให้วัดทาหน้าที่สาธารณูปการก็ทํากิจกรรมให้มันงดงามทั้งซึ่งทั้งฝ่ายทั้งรูปการเนี่ยมีโครงการที่รับผิดชอบสองโครงการที่ผ่านมหาเถรสมาคมโครงการแรกคือการจัดการสาสารสมบัติทั้งสาสารสมบัติกลางและสาสนสมบัติของวัด รวมถึงทาบัญชีรับจ่ายของวัดบัญชีทรัพย์สินของวัดดูแลสิ่งที่ญาติโยมถวายมาด้วยศรัทธาให้ได้ประโยชน์สูงประหยัดสุด น, นี่คือความรับผิดชอบในโครงการหนึ่งของกรรมการฝ่ายสนุประการซึ่งท่านก็ทำอยู่โครงการที่สองก็คือโครงการ กิจกรรมาการพัฒนาวัดด้วยกิจกรรม 5.2 ที่เรามาลงน้ำกันเนี่ยเน้นตรงนี้และก็จะมีผลกระทบอย่างไรต่อไปเดี๋ยวจะขอพูดรายละเอียดตรงนี้แต่ขอพูดภาพรวมก่อนส่วนสาธารณสคราะทั้งในเรื่องสุขภาวะของพระสงฆ์มหาเถรสมาคมโดยการฝักดันของสองสห ล, ล, ล, ล, ลายฝ่าย ให้ความเห็นชอบต่อธรรมนูญสุขภาวะของพระสงฆผ่านมอสอไปแล้วเราสนับสนุนกิจการของพระนักพัฒนาท้องถิ่นทำงานร่วมกันทั่วประเทศที่ไหนอย่างไรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปผลักดันต่อไปแต่วันนี้เรามาพูดกันถึงงานสนุปการก็คือห้าสที่ว่าเนี่ยแล้วทำไมจะต้อง มาลงนามความร่วมมือทำไมจะต้องประชาสัมผัน์เพราะว่าเรื่องของห้าสอสานุปการเ น, เน้นในเรื่องกายยภาวนาคือการพัฒนากายภาพของวัดเพื่อให้วัดทาหน้าที่สร้างสุขภาวะทั้งทางกายและทางจิตให้กับชุมชน แต่เราเอาเรื่องกายภาพมาพูดเพราะอะไรท่านทัง้งหลายมันเป็นกลยุทธ์กลยุทธ์คืออะไรท่านรัฐมนตรีได้พูดเรามียุทธศาสตร์แผนระยะยาวห้าปีเรามีกลยุทธ์คือการคลิกแปลงการปฏิบัติการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทำอะไรให้มันได้รับรู้เร็วในสังคมเราเรียก การปรับกลยุทธ์ท่านทำงานไปแทบตายแต่คนไม่รับรู้ไม่มามีส่วนร่วมแสดงว่าท่านขาดกลยุทธ์กลยุทธ์คืออะไรคือให้ได้ประโยชน์สูงประหยัดสุดเรามีทรัพยากรจำกัดมีเงินจำกัดมีคนจำกัดแต่ทำอย่างไรที่จะให้ได้ผลที่ต้องการที่มึ็นปรารถนาอย่างคุ้มค่าและรวดเร็ว ท่านเคยดูเขาแทงมิเรียนไหมละ่ะในทีวีเขาก็คนแทงมิเรียนเขาไม่ได้แทงลูกเดียวให้ลงหลุมนะลงช่องนะเขาแทงลูกนี้ให้ไปชิ่งลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้แล้วมันก็ลงเขาเรียกกลยุทธ์ใช้เวลาที่มีอยู่จาํากัดโอกาสมีจาํากัดมีแรงจํากัดเนี่ให้มันกระทบชิ่งกัน แล้วมันจะกระทบไปทั้งหมดโดยไม่ต้องเหนื่อยมากทำไมเราจึงจัดสาธารณการเป็นตัวกระตุน้นท่านลองนึกถึงงานบกด้านในวัดที่ท่านทำที่ท่านอยู่ด้านไหนที่ทำแล้วเห็นผลเร็วที่สุดและโยมให้ความร่วมมือมากที่สุดแล้วพระชอบทา ปกครองปกครองเหรอมองไม่เห็นถ้าพระไม่สร้างเรื่องแสดงมีปัญหาปกครองอยู่กันเรียบร้อยก็งานปกครองก็แสดงว่าท่านก็ไม่ได้มายกย่องอะไรแสดงว่าสามปีที่แล้วไม่มีอธิกรณ์ไม่มีเรื่องก็ไม่เคยเห็นศาสนาศึกษาเรียนบาลีสอบได้เท่าไรก็มาเรียนเทนกันกศึกษาสงเคราะห์สายแผ่ท่านทั้งหลาย เจ้าว่าส่วนมากเนี่ยพอเข้ามารับตำแหน่งเนียผลงานที่เห็นชัดคือการพัฒนาวัด ร, รูปปรรลและบางทีเราก็ไปไปนินทาอีกสร้างกันเหลือเกนินสร้างโน้นสร้างนี่เพราะอะไรเพราะโยมโร่วมมือโยมเดี๋ยวสร้างศาลาปฏิบัติธรรมโยมก็ควัดทำบุญแหละ เดี๋ยวสร้างถนนเข้าวัดขุดบอ่อแล้วผลงานที่เห็นเนี่ยมันถาวรลรวัตถุนะท่านมันอยู่ถาวรสร้างสาาการประเรียนสร้างโน้นสร้างนี่แถมปิดป้ายชื่ออีกอยากทาปัญหาคืออะไรแต่ละวัดเนี่ยท่านทํากันอยู่เพื่อให้มีผลงาน และคนก็สนับสนุนสิ่งที่เราจะต้องปากเตรูปคืออะไรท่านไม่ใช่สร้างให้รกวัดใหญ่โตสลาใหญ่โตสมัยหลวงพ่อรูปนี้เป็นเจ้าวาดคนมาใช้ประโยชน์ได้พอสิ้นยุคท่านนะครับผมไปดูสุนัขนอนกันป็ปแถวหมดโยมไม่เข้าวัดเพราะ เจ้าวาดอ๋ใหม่บารมีไม่ถึงมันหมายถึงอะไรท่านขาดการวางแผนขาดการวางแผนระยะยาวระยะสั้นใช้ประโยชน์ใช้สอยวัดจะสวยงามนะ่ะไม่ใช่สร้างกันไม่รู้กี่สไตล์ท่านโบสจะทรงไหนก็ไม่รู้แล้วแต่อารมณ์ศิลปินของเจ้าวาสถาปนิก ทั้งๆที่สำนักพุทธเขาออกแบบภาคเหนือเป็นอย่างนี้ภาคกลางเป็นอย่างนี้อาคารสลาเป็นอย่างนี้ปรากฏว่าแบบของวัดก็ไม่ได้เข้ารูปเข้ารอยสเปะ ส, สปะักในด้านของวิศวกรสถาปนิกเขาเรียกฟอร์มแอนด์ฟังชันเวลาท่านจะสร้างอาคารเนี่ยฟังชันคือประโยชน์ใช้สอยมันเรื่องอะไร แต่ไม่ใช่สร้างตามอำเภอใจต้องรูรูปแบบรูปทรงให้มันเข้ากันงดงามไม่ใช่ว่าใครนึกจะสร้างอะไรก็สร้างไปต่างประเทศไปดูนั่งเรือเนี่ยสกายไลน์เนี่ยนะที่ประเทศอย่างสหรัฐอเมริกามีตึกสูงที่สุดตอนนี้ที่เหลืออยู่ตึกเซียใครจะไปนั่งในทะเลสาบวิชิแกนเนี่ยก็ มองมาที่เมืองที่ชิคาโก้ใครจะสร้างตึกสูงขึ้นมาต้องขออนุญาต ก, ก่อนมันจะต้องเข้ากับรูปทรงรูปแบบที่มีมาไม่ใช่ใครจะสร้างอะไรก็ได้มาทำลายทัศนียภาพของเมืองเขาไม่ยอมแต่ถ้าท่านนั่งเรือแม่น้ำเจ้าพญาเนี่ยนะซึ่งนำรายไดเ้เข้าประเทศเยอะเลยกลางคืนเนี่ย เราไม่ต้องไปกันคืนละข้าไปอีฝั่งมองเนี่ยริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะซึ่งเป็นหน้าเป็นตาเนี่ยอยากจะเห็นวัดโพวัดอรุณพระราชวังเนี่ยอาคารพาณิชย์บังสมัยหนึ่งบังหมดของวัดประยุทธ์มีเจดีย์สวยๆประดับไฟตึกสูงบังหมดอันนี้นอกวัดบังยังไม่พอเราสร้างกันเองเราก็บังกันเอง โบสถ์วิหารการป ร, รียนที่วัดผมว่ดไปอยู่เนี่ยท่านสร้างอย่างสวยงามหน้าบานสวยงามเรียงกันเป็นแถวไม่มีที่ไหนเรียงกันให้เห็นเลยหน้าบันสวยมากแต่ไม่มีใครเห็นอยู่พักใหญ่หลายสิบปีเพราะไปสร้างสล า, าสวดศพอยู่หนะ้าโบสถ์วิหารการป ร, ริยนอ่ะสร้างสล า, าอยู่ตรงนั้นเลยไม่มีมุมมอง พอมาเป็นเจ้าวาสั่งรื้อท่านดีเขาไม่ไล่นะท่านพอรื้อเสร็จโอ้โหทำไมโบสถ์ท่านสวยเป็นลาน ก, กว้างที่ท่านเห็นเนี่ยโบสถ์สวยวิหารสวยศาลาการปริเลียนมันสวยหมดเพราะอะไรนะเราไม่มีแผนผังแม่บทของวัดเราไม่ได้ทำมาสเตอร์แปลนฉะนั้น ในห้าสอเนี่ยนะมันจะมีเกณฑ์มาตรฐานให้คะแนนวัดนะครับวัดที่จะได้ห้าสอเนี่ยได้รางวัลดีมากปานกลางขอใช้อะไรก็รือว่าต้องปรับปรุงเนี่ยข้อหนึ่งคืออะไรในสิบข้อที่คณะกรรมการฝ่ายธุรการท่านกำหนดเกณฑ์มาตรฐานต้องมีแผนผังแม่บทของวันอยากจะเห็นแล้วเกิดแค่ข้อเดียวเนี่ยทั่วประเทศเลย ไม่ใช่ใครนึกจะสร้างอะไรก็สร้างแล้วแฉมไม่รู้ด้วยว่าที่ดินของวัดมันจบจงไหนโยมกับพระเช็คแผนกันได้เลยนะมันลุกเข้ามาทำแผนผังแม่บทของวัดแต่ละวัดให้ได้ชัดเจนอันไหนที่ชาวบ้านมาใช้สถานที่ก็ให้รู้ไว้อันไหนเป็นโรงเรียนอันไหนเป็นอะไรพูดง่ายๆก็คืออันไหนเขตพุทธาวาอันไหนเขตสังฆาวา ทำไมต้องมีพุทธาวาสังฆาวาสคิดง่ายง่ท่านเขตพุทธาวาสที่มีโบสเนี่ยญาติโยมจะเข้ามาบวชพระมาทำกิจกรรมอะไรต่างๆสรุปเขตที่มันเป็นพับลิกแอเรียที่ที่ชาวบ้านเข้าถึงมาใช้บริการในโบสวิหารการประเรียนสาราสวดศพเมนอันนี้เนี่ยเป็นพุทธาวาสไปเถอะ มันเป็นเขตที่ชาวบ้านมาใช้ประโยชน์เราเรียก Public a r เรแต่ส่วนไหนที่พระสงฆ์จะต้องอยู่อย่างสงบสำรวม ล, ล้วรอบขอบชิดนั่งกรรมาฐานปฏิบัติเป็นเขตสังขาวาสแยกกันให้มันสัด ส, ส่วนไม่ใช่ว่าอันสักตัวเดียวเดินลอยชายเวลามีงานแหน่หนากน ถ้าเพราะฉะนั้นในข้อที่หนึ่งเนเจีงบอกว่าทำแผนแม่บทแยกให้ชัดเจนระหว่างเขตสังคาวาสพุทธาวาสสังขาวาสเห็นตรงนี้เราชื่นใจนะแต่กลัวจะไม่ทำเนี่ยวันนี้ขอเป็นข้อแรกเลยถ้าวัดไหนไปเมินแล้วไม่ทำแผนแม่บทนี่อย่าให้ผ่านเลยเป็นบังคับเลยแล้วพอท่านทำแผนแม่บทมันจะได้อะไรอีก ท่านจะรู้ว่าอะไรมาอยู่ตรงไหนมันจะเข้าห้าสอทันทีเลยการทำแผนแม่บทคือศาสตรสงเพราะศาสตรสังหมายความว่าอะไรที่อยู่ผิดที่ย้ายซะท่านกูติไมาอยู่หน้าโบสอย่างเงี้ยมาอยู่ใกล้สารสวดศพเนี่ยประจานกันเองอย่างเงี้ยย้ายไปนะเดี๋ยวนี้เขามีชะลอมีย้ายออกไปอยู่ในเขตสังขา ว, ว่าในวัด ประโยชน์เนี่ยนะมีรั้วนะรั้วเหล็กนะกั้นเลยนะครับกัน้นไปดูแนวรั้ว เ, เหล็กเราด้านนี้เอาเจดีเป็นเกณฑ์ด้านขวามือเป็นเขตสังเขา ว, ว่ามีสิบสามคณะแต่ละคณะมีรั้วรอบขอบชิดที่โบราณสร้างแต่ตอนหลังเนี่ยเขาสร้างกุฏิล้ําเข้ามาในเขตพุทธา ว, ว่าอยากรั้วเหล็กซึ่งไม่เคยมีเราสร้างแล้วกุฏิคณะสามมาอยู่ หน้าพระอุโบสถหน้าโรงเรียนพระนะโรงเรียนพระธรรมแล้วเป็นที่ประชุมเด็กโรงเรียนพุทธนาวาทิศไครเดินผ่านก็เห็นหมดตอนนี้ย้ายหมดเลยทันย้ายไปอยู่ในเขตสังขา ว, ว่างแล้วที่ว่างเราทำอะไรศาลาปฏิบัติธรรมซึ่งสร้างอยู่บอกกันเลยชัดเจนและทำเห็นผังหมดเลยเราจึงเห็นว่าตรงไหนเป็นที่ที่ เราควรจะทำอะไรอย่างไรไอ้ที่พูดอย่างนี้คือทำเรียบร้อยแผนผังเสร็จแล้วใครทำให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มืออาชีพทำให้เลยเพราะฉะนั้นอันอีกได้ไปดูแบบได้เสร็จแล้วพอเราทำผังแม่บทนี่คือสาสารใช่ไหมครับอะไรที่มันอยู่ผิดที่ย้ายนะมันก็จะมาเกิดข้อที่สองคือสะดวก สะดวกในการติดต่อในการปฏิบัติาศาสนกิจในการอะไรต่างๆไม่สับสนปนเปร ส, สารสะดวกสะอาดห้องน้ําที่ของวัดเนี่ยท่านบางทีเราไม่อยู่เป็นสัดส่วนเหมือนกับเอาห้องน้ํามาอยู่หน้าบ้านน่ยนะสาลาส่วนศพวัดผมก็บีห้องน้ำแต่ก่อนเนี่ยห้องน้นนนาํานี่ยเขาปนดังมากห้องน้ําวัดเนี่ยที่แย่ก็คือห้องน้ําปั๊มนะ ปั้มน้ำมั น, นมันเป็นศาสนะเมื่อสักสิปีมาแล้วห้องน้ําตําปัม๊มห้องน้ําตามวัดเนี่ยยอดแย่แท น, นต่อไปนี้ตั้งแต่มีห้าสอจะไม่ไม่ไม่ ไ, มไมปติ๊ยดอันดับแล้วเพราะอะไรปั้มน้ํามันเขาปรับปรุงหมดแล้วเป็นเกณฑ์มาตรฐานต้องมีที่ต้องมีการดูแลและที่ปั๊มไหนอ่าห้องน้ําไม่ดีคนไม่เข้าแม้กระทั่งไปเติมน้ํามันถ้าห้องน้ําวัดมันแย่นนะท่านลงทุนหน่อย มันจึงมีอยู่หนึ่งข้อใน1ิบข้อเนี่ยเรื่องห้องน้ำรวมถึงโรงครัวด้วยไม่พูดรายละเอียด น, นะครับเอาเป็นประเด็นที่อยู่ในใจดีกว่าเมื่อเรามีเกณฑ์ส0ข้อเนี่ยแต่ละข้อมันเลือกมันร ว, ว, วมเรื่องอะไรสะสามสะดวกสะอาดสาคำสามสอนี่เป็นคีเป็นหลักในฝ่ายที่ปฏิบัติการทั่วไปเขาใช้สองข้อที่สี่ ว่าสุขลักษณะที่นี่ใช้คําว่าสร้างมาตรฐานก็นแล้วแต่อธิบายกันเองข้อที่ห้าคือสร้างวินัยที่นี่ใช้สร้างวินัยที่ชาวบ้านเขาใช้เขาเรียกสร้างนิสัยขออธิบายนิดหนึ่งคําว่าสารสังมันไม่ใช่แค่อาคารสถานที่นะครับในภายในบริเวณของวัดในอะไรต่างๆ มันของเนี่ยไอของที่เราไม่ใช้เลยนะปวดหัวไม่รู้จะไปเก็บที่ไหนแล้วมันก็หมดสภาพบ้างอะไรบ้างฟองกันเต็มหมดโยมก็ชอบมาถวายไม่มีที่จะเก็บไอที่พังไปแล้วแล้วก็ไม่รู้มันทับทับทั บ, ท, บทับสมหายก็ไม่รู้สัสงข์แทะอันไหนเก่าใช้ประโยชน์ไม่ได้เขาเรียกเก่าเก็บหรือกาจัดหรือว่าาฏิกรรมไป อันไหนใช้บ่อยก็มาไว้ให้เห็นกันอยู่มีระบบการจัดที่ชัดเจนมันก็จะเกิดข้อที่สองคือสะดวกใช้ก็ง่ายหายก็รู้สะดวกและข้อที่สามสะอาดสิ่งที่เป็นความสะอาดนี่มันมันให้วัดสมกับเป็นอารามครับในสมัยพทธเจ้าเนี่ยวัดเรียกว่าอารามแปลว่าสวน พุทยานวัดพระเชตวันคือสวนเจ้าเชษเวลุวันคือสวนไผ่เชตวันารามอะไรกระถามอารามไปที่หน้ารื่นรมในพระในพระไตรปิฎกหรืออาจจะ ก, กถามมีเรื่องที่เจ้าหญิงที่รักสวยรัก ง, งามไม่อยากไปฟังเทศพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าชอบเทศเรื่องอันนิจังทุกของอังงานตา่าแต่มีคนไปขับร้องเพลงชมวัดพระเชตวันว่าสวยงามงดงามอย่างไร อยากเห็นวัดว่าสวยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะเป็นอารามที่เรื่องลมใจก็ไปไปก็ได้ฟังเทศก็ได้บวชเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยที่เราบอกว่าสารูประการในเรื่องของการสร้างซ่อมบูรณะปฏิสังขรหรือทําระบบระเบียบเนี่ยมันเป็นการจูงใจให้คนเข้าวัดให้ฟื้นส ป, ปิริณจิตวิญญาณของอารามในสมัยก่อน บางวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีรายได้เยอะแต่ไม่ได้เป็นที่สงบพลุกพล่านเข้าวัดแล้วไม่ได้ธรรมะมันเป็นพาณนนิชย์ไปเราก็จะต้องปฏิรูปให้งดงามให้สงบให้ร่มเย็นเป็นระเบียบที่วัดผมโบสถ์วิหารการปริยเจดีสวยงามแต่ ตรงกลางเลยเนยท่านนะสายไฟเอ่ยสายโทรศัพท์เอ่ยโอ้โหมาผูกมัดกันดำยังกับงูอะไรก็ไม่รู้อยู่ไปเถอไปตามวัดต่างๆเนี่ยมันจะมองจะถ่ายภาพเจดีก็ติดแต่ไอ้สายไฟนี่โอ้ไม่รอบนะท่านเขาผูกกันเน่ยและไม่รู้ว่ามันเดินสายกันยังไงและแล้ววันดีคืนดีก็ไฟฟ้าลัดวมจร ผมละเศร้าใจแล้วเกินเน่ผู้ติทรงไทยร้อยปีร้อยยี่สิบปีไฟไหม้เฉยเลยแล้วก็ไปโทษไฟฟ้ารัดวงจรไม่มีการสาักสารดูแลสายไฟทำาตามสะอาดอะไรทั้งสิน้นในฐานะเจ้าคณะภาคเนี่บนประชุมนี่อายบอกอย่าให้ไฟไหม้ที่ท่านผู้ติไม่สักเนี่ยเป็นร้อยร้อยปีเยอยู่ๆไฟไหม้แหละ แล้วพอไปดูโห่มันก็น่าไม่หรอนะท่านนะมันเป็นหอบเลยนะสายไฟไม่ท่านท่านไม่สังเกตเรากลับไปดูวัดท่านเถะเงยหน้าพึ่งมาเนี่ยในความรู้สึกเนี่ยไม่ชอบเลยไปต่างประเทศวัดในญี่ปุ่นในเกาหลีในอเมริกาสายไฟหายหมดสายพวกเนี้ไปถามว่ามาไปไหนเขาบอกลกดินไปหมดแล้ว โอ้โมันสวยงามมี่สามีสายไฟฟ้าไม่มีสายไฟระยงองรนยางไม่มีเสาต้นเสามันสวยสายภาพอะไรต่างก็สวยงามเพราะฉะนั้นพอเป็นอธิการบดีมหาจุฬานะสร้างมหาจุฬาในพื้นที่3า0ร้อยไร่เนี่ยออกแบบเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วเขาบอกบอกเขาว่าไงเอาสายไฟลงดินให้หมดเป็นท่อร้อยสายไฟไฟที่ก่อสร้างสมัยนู้นบอกโอ้โ oh, หท่านยอย่าเอาอย่าทาเลย มันแพงแล้วซ่อมลาบากไม่ยอมในฐานะที่การมาดีฟันทงเลยต้องเอาลงจนบัด น, นี้ลงไปแล้วมันก็ไม่เห็นซ่อมยากอะไรเลยน้ำท่วมก็ยังซ่อมได้เพราะฉะนั้นพอมาเป็นเจ้าวาดวันปยุยเมื่อสิบปีที่แล้วที่บางบางังเจดีบางแหลลงดินหมดครับในเขตพุทธาวาสไม่เหลือเลยแล้วเขาบอกทาไมวัดสวย ไม่ได้มานะมันลงดินหมดแล้วไอ้ตัวอุจจารทั้งหลายเนี่ยนี่ยกตัวอย่างว่าวัดไทยวัดมันนะแต่ละวัดมันจะมีปัญหาคนละอย่างนะท่านเอาสิวออกจากใบหน้าเทียนเขตพุท ธ, ธาวาสนะวัดมันจะสวยขึ้นทันทีกุฏิโซมไม่เป็นไรให้สะอาดวิธีทางานอย่างนี้ไม่ใช่ผักชีนะท่านนะแต่มันก็จาเป็น เพราะเรามีทุนน้อยงบน้อยเนี่ยอะไรที่เราทำแล้วมันเห็นผลเยอะรีบทำอะไรที่ทำแล้วใช้เงินเยอะใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลทำทีหลังเพราะฉะนั้นหลักอันนี้เขาเรียกหลักเศรษฐศาสตร์ใช้ในการพัฒนาไม่ว่าที่มหาจิรยาหรือในงานที่วัดไปยูหรือที่ไหนก็ตามหลักการปาเรโตอยากจะให้หลักการปาเรโ ต, กกรร เ, รโตเนี่ยเขามาใช้ในการบริหาร เรียกย่อๆว่ากฎ80 20กฎ80 20เียนนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาลีเป็นคนเสนอขึ้นมาแล้วใช้ในการทำงานโดยเพาะในเรื่องที่เราพูดเนี่ยคืออะไรครับตอนแรกเขาพูดสั้นๆแค่นี้ว่าทรัพย์สินในโลกใบนี้แต่ละประเทศเนี่ย 80% เนี่ยนะเอาเอาเอาความมาั่งคั่ง 80% ของประเทศไทยก็แล้วกัน เป็นของคน 20% เนท่านั้นในประเทศส่วนส่วนคน 20% ่เปอ็นเป็นเจ้าของทรัพย์สิน8ปคนอีก 80% ดเป็นเจ้าของ 20% อ่บอันนี้เป็นเรื่องเศรษศาสตร์แต่ในการบริหารคืออะไรท่านเราพัฒนาวัดนะทำแทบตายเลย8นะของสิ่งที่เราทำเนี่ยคนชมแค่ 20% แต่งานไหนก็ตาม 20% ที่เราทําเราเหนื่อยแต่คนชมเนี่ยหมายถึงบรรดาบรรดาคำคำชมทั้งหมดที่เราได้รับเนี่ยนะงานร้อส่วนเนี่ยที่เราทํา20ส่วนที่เราทําคนได้รับการตอบแทนได้เข้าตาเจ้าคณะภาคจ้าหน้าจังหวัดเนี่ยเรียกว่าผล 80% ได้มาจากงาน20แต่อีก20ที่เราทําแทบตายเนี่ยนะคนชื่นชมแค่ 20% ท่านลองไปดูในวัดของท่านในวัดในเขตปกครองของท่านต่อให้พัฒนาอะไรดีดีเยอะแยะหมดเลยแต่หน้าวัดท่านเนี่ยนะมันมีปัญหาในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะ ส, ส, ส, สารสะดวกสะอาดในสเรื่องท่านทิ้งไว้ต่อให้สร้างวัดเขตสังขาวาดอย่างดีแต่20อร์ซที่มันเหลืออยู่หน้าวัดเนี่ยโดนดา่า80ด เหมือนกับเอาซุ้มไปไว้หน้าบ้านขอใช้คาสานี้พอออกไปหลังบ้านนะคนชมเลยบ้านนี้สวยงามขยะนะครับวัด ส, สวยแต่กองขยะไปอยู่ใกล้โบสถ์้วิหารมันเสียแค่ 20% แต่มันโดนด่า 80% เพราะฉะนั้นงานของวัดที่เราทำเนี่ยนะครับท่านอาจจะทำปกคร้องศึกษาเผยแพร่ปกคล่องบ้างแต่ถ้ามาปกคล่องในเรื่อง5สอเนี่ย ไม่สักไม่ไม่ ส, สางไม่ปล่อยให้ไฟไหม้นะไม่สะดวกในการที่จะเข้าไปใช้เข้าวัดเนี่ยนะติดกว่าจะเข้าวัดทั้งทีล้มไม่รู้กี่รอบเนี่ยโดนด่าตั้งแต่ยังไม่เข้าวัดน ะ, ะท่านครั้งเดียวไม่มาแล้วแล้วก็สะอาดโอ้โหมีของแพงๆเยอะแต่ว่าอยากย่อยเ อ, อ้ยสุนัขเ อ, อย้ยไทยวางระเบิดไว้หมดเลยเนี่ยสิ่งดีๆงามๆนี่เขามอกข้ามหมดเลยนะ 80% เที่คนบ่นมันมาจะ ม, มาจากเรื่องสสารสะดวกสะอาดเพราะฉะนั้นแนวนโยบายเรื่องนี้่ถูกใจแล้วเกิดเพราะทำมาแล้วและเห็นผลแล้วอย่างอย่างเช่นในภาพรวมอย่างที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาเนี่ยเราจะปลูกต้นไม้เนี่ยนะสักต้นหนึ่งเนี่ยต้องมีแผนหมดเลยและปลูกไม่ถูกที่นะเจ้าหน้าที่ด่าเราอีกนะด่าอธิการอีกนะ ปลูกต้นอะไรเนี่ยต้นมันตายนี่มันก็เลยต้องเอาประเภทอย่างนี้ไปปลูกต้นอื่นมันตายอะ่ะเอานี่ปลูกเขายังไม่ยอมเลยเนี่ยความสํานึกตรงนี้เนี่ยมันเกิดอะไรท่านแสงสะดวกสะอาดสุขลักษณะและสร้างลักษณะนิสัยทําเรื่องห้าสอให้เป็นปกติเป็นลักษณะนิสัยมีจิตสํานึกพระทั้งวัดมีจิตสํานึกญาติโยมมีส่วนร่วม และทำอะไรตัดต้นไม้สักต้นหนึ่งนะผมไปที่สวิตเซอร์แลนด์พระเราไปสร้างวัดที่สวิตเซอร์แลนด์ท่านเล่าให้ฟังบอกว่าตอนแรกไม่รู้นะไม่รู้ไปตัดหญ้าหน้าร้อนเนี่ยวัดวัดไทยมีรั้วรอบขอบชิดนะเอาเครื่องตัดหญ้าตัดตั ด, ต ด, ต ด, ตดแล้วก็เก็บไอ้หญ้าที่ตัดเนี่ยใส่ถุงไปไว้ข้างหน้าวัดทางทางซิตี้ทางเทศบาลมาเคาะประตูเลย มาเคาะประตูเปิดประตูไปบอกว่าท่านทำไม่ถูกเนะที่ตัดหญ้าแล้วไปใส่ถุงดำเอาแล้วรู้ได้ไงเพื่อนบ้านของวัดซึ่งเป็นคนสวิสโทรไปฟ้องโทรไปฟ้องว่าทำผิดกฎเทศบาลใส่หญ้าที่ตัดเนี่ยมันสมมุติว่ามีถุงดำกับถุงขาวไปใส่ถุงดำเนี่ยเท่ากับว่าอะไรรู้ไหม เป็นขยะเสียเอาไปทำลายเอาไปทิ้งแต่หญ้าเขียวๆ เ, เนี่ยเอาไปรีไซเคิลไปใช้ประโยชน์ได้ต้องใส่ถุงถาวแค่นี้แหละชาวบ้านเขาท้องโทรไปฟ้องนะชุมชนนนะอะไอไอเทศาบาล น, นะให้มาเตือนในสุดพระต้องเปลี่ยนถุงสแสดงว่าอะไรสวิสเซอร์แลนด์สวยทั้งประเทศเพราะมันประสานกันหมดท่านบ้าน โบสถ์ราชาการวัดราชาการถ้าเมื่อใดประเทศไทยไปถึงขั้นนั้นน่จิตสำนึกเนยชุมชนไม่ใช่เฉพาะวัดนะต้องสะอาดสะดวก ส, สารสะอาดสะดวกเนียบทั้งหมู่บ้านเป็นหูเป็นตาให้กันข้านจิตสำนึกเมื่อนั้นเนี่ยนะครับประเทศไทยจะสวยงามน่าอยู่อีกเยอะเลยและสิ่งแวดล้อมด้านกา ย, ยภาพกายยำอาวนา มันก็จะเอื้อต่อศีลและภาวนาจิตภาวนาต่อไปฉะนั้นถ้าเราเริ่มในวัดสร้างจิตสำนึกเทศใส่เข้าไปเรื่อยๆนะเพราะอะไรพระพุทธเจ้าเทศไว้นั้นปาิรูประเทสวาโสนโศนเอตัมังครมุตตังการอยู่ในปฏิรูปประเทศเป็นมงคลอันสูงสุดเป็นเหตุแห่งความเจริญเพราะฉะนั้นปาิรูปประเทศนี่แหละหมู่บ้านทั้งหมู่บ้าน วัดก็จะต้องเป็นปฏิรูปประเทศสำหรับพระและเป็นสัพปายะของผู้ปฏิบัติธรรมทำอย่างไรจะให้เป็นปฏิรูปประเทศเป็นสัพปายะสำหรับการปฏิบัติธรรม5 ส, ส่สิและต้องเป็นสามประสานบ้านวัดราชการในท้องถิน่นระดับภาพรวมอย่างวันนี้วัดประชาัฐร่วมแรงร่ว ม, ว ม, วมใจกันสสสก็แทนทางประชาก็ได้ สานักคุทธท่านรัฐมนตรีก็ทางอธิบดีก็รัฐถับพวกเราวัดแทนวัดในภาพรวมมาพบกันในวันนี้มีเรื่องที่จะต้องทำที่จะต้องขับเคลื่อนมากมายเลอเกิดทำวัดของเราให้มีบรรยากาศของอารามน่ารื่นรมและที่สำคัญนะื้ท่านเขาพูดห้าสอในเรื่องของการปักกันคุณภาพของโรงงานในประเทศไทยเนี่ยนะ เวลาเขาเขาสร้างโรงงานเนี่ยญี่ปุ่นเขาบอกว่าต้องประกันคุณภาพด้วยห้าส่อเริ่มมาจากตรงนั้นวัดที่มีคุณภาพจะต้องทำห้าส่อหลักของการประกันคุณภาพเขาอย่างไรรู้ไหมมหาจุฬาก็ต้องประกันคุณภาพกระทรวงศึกษาเข้ามาคุมเขาบอกว่าให้ทําเป็นงานประจําไม่ใช่เป็นเรื่องยาก นะเราต้องทำความเข้าใจกันตรงนี้นะโอ้ยเอางานมาเพิ่มอีกแล้วประชุมประสานการนี่ทำให้งานหนักเพิ่มขึ้นคืองานสารุปการโดยมอ .5 สอ ส, สารสะดวกสะอาดอะไรต่างเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่งานเพิ่มมันเป็นชีวิตประจำวันแล้วอยู่ในบ้านเราไม่กวาดบ้านเลยเป็นพระเนรไม่กวาดวัดเลยไม่ออกกำลังก็กวาดวัดสิสุขภาวะจะได้ดี เพราะฉะนั้นคนละไม้คนละมือนี่แหละที่อยู่กันในชีวิตประจวันเนี่ยไม่ใช่ว่าฉันเสร็จแล้วก็ไป่ล้างจานมันก็ไม่สะอาดแล้วก็ล้างจานได้นี่มันไม่ได้เป็นอบัติเนี่ยล้างบาทเราก็ทําแต่ว่าขยายให้ทั่วบริเวณวัดแบ่งโซนนิ่งกันตรงไหนชาวบ้านมาช่วยเรื่องต้นไม้เรื่องกลุ่มต้นไม้ตัดต้นไม้พระไม่ทําผิดเป็นอบัติชาวบ้านมาช่วยเรื่องที่เรื่องขยะเราทิ้งให้เป็นที่มันเป็นงานในชีวิตประจวัน ไม่อยากจะพูดเลยว่าในฝ่ายมหายาะเขาทำเป็นชีวิตจาําหวนเราไปในเกาหลีไปญี่ปุ่นเนี่ยนะไปดูเถอะท่านพระต้องทำงานเขามีสโลแกนไม่ทำงานไม่ให้ฉันมันจึงแบ่งกันเป็นลักษณะนิสัยนี่แหละที่เขามาถึงข้อที่สร้างลักษณะนิสัยไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่มาเพิ่มภาระ ถ้าเราคนละไม้คนละมือช่วยกันเก็บขยะไอ้ช่ว ย, ยทิ้งขยะให้เป็นที่มันไม่ต้องกวาดวัดเหนื่อยเห็นไหมเทศบาลก็ไม่ต้องกวาดบ้านร้านปวาดถนนเลยถ้าเรามีลักษณะนิสัยทิ้งขยะให้เป็นที่ถ้าเราทิ้งตรงไหนเห็นตะกระปลกเรามีลักษณะนิสัยทนไม่ได้ช่วยกันเก็บจนกวาดมันก็สะอาดมันไม่ใช่งานหนะักมันเป็นวิถีชีวิต พระสงฆ์เราต้องเทศต้องสอนเรื่องเหล่านี้อ้างพุทธพจน์อ้างอะไรต่างเรื่องสามะเมตีเรื่องาาอะไรต่างเรื่องอันตรัพประโยชน์ตนปรัฐาประโยชน์คนอื่นอุปพยาถะประโยชน์ชนนนชนส่วนรวม5สเป็นประโยชน์ส่วนรวมใครเราทําด้วยกันมันก็มีความสุขสบายตาทั้งญาติโยมทั้งพระถ้าเราเห็นประโยชน์ส่วนรวมนี้ประโยชน์ส่วนรวมนี้จิตอาสามันก็มาชาวบ้านก็มีจิตอาสาเรื่องวัฒนธรรมบุญ ทั้งหมดที่เราเห็นข่าวในพระราชสัมนักที่พระเจ้าอยู่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการที่สิบ่ทรงส่งเสริมให้มีจิตอาสาท่านดูทาอะไรมันก็อยู่ในงานท่าสอนัี่แหละเดี๋ยวก็ไปทํความสะอาดตรงนั้นตรงนี้แต่ให้มันเป็นจิตสํานึกให้มันเป็นจิตอาสาให้อยากทําบุญเราอ้างอะไรท่านวัณโรคประสูตรใครก็ตามปลูกต้นไม้สร้างสะพานทำเบ่อน้ำเขาย่อมได้รับบุญทั้งวันทั้งคืนน่ะ มันมีเรื่องบุญกุศลเข้ามาเกี่ยวข้องอีกอ้างพระบาลีมาอะไรมาในที่สุดเรื่อง5สไม่ใช่เรื่องนอกกายนอกตัวแต่เป็นเรื่องวิถีชีวิตรวมความว่าเราต้องศึกษาเองให้เข้าใจในส่วนพระสงฆ์แล้วสามารถประยุกเข้ากับธรรมะต่างๆมาเทศนาสอนทําให้ดูเป็นตัวอย่างเป้าหมายคือไม่ใช่แค่วัด ส, ส, ส, ส, ส, สารสะดวกสะอาดสร้างมาตรฐานสร้างวิในเท่านั้น ชุมชนทั้งหมดรักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสะอาดสุขลักษณะมันจะออกจากวงจรอะไรท่านโง่จนเจ็บคนโง่ก็ทําให้ไม่มีงานทํายากจนจนสุขนาพกายสุขภาวะก็ไม่ดีอาหารการกินก็ไม่ดีเจ็บเจ็บมันก็โง่ไอคิวต่ำมันก็วนเป็นวัาต่จากวงจรอุบาตอยู่อย่างนี้ ถ้าเป็นทั่วประเทศถ้าวัดไม่ช่วยตัดวงจรอุบัติทาให้คนมีการศึกษาที่ถูกต้องอย่างโดยเฉพาะในเรื่องสุขภาวะเราช่วยกันเทศช่วยกันสอนทาบ้านเรือนให้สะอาดทาวัดวาารามให้สะอาดเราก็สร้างความสุขให้เขาละตัดวงจรละให้ปัญญาให้ความรู้ในการศึกษาศึกษาสมรรถทุนการศึกษาสร้างโรงเรียนให้ธรรมะ มันก็ค้นพบพบ พ, พ, พ้นจากวงจรของความโงเ่เรื่องความยากจนเมื่อมีปัญญามันก็ไม่ยากจนและอยู่ยังถูกต้องสุขภาวะมันกม็มันก็ดีไม่มีปัญหามันก็ไม่เจ็บฉะนั้นเรามีความหวังว่าสิ่งที่เราปฏิรูป5ศในิวันเนียมันจะช่วยตัดวงจรโง่จนเจ็บของสังคมโดยงานทั้ง6ด้านบวกหนึ่งนี่แหละจะกระจายไปทั่วประเทศ พัฒนาบ้านเมืองและทําตรงไหนได้ก็ทําทในงานห้าหกบวกหนึ่งและเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองไปในทางที่พึงปรารถนาที่เรียกว่าปฏิรูปทั้งในวัดและนอกวัดการที่เราได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประโยชน์ดีงามอย่างนี้เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจและจะต้องช่วยกันขยายช่วยกันเผยแพร่ช่วยกันให้ความร่วมมือในส่วนตัวนี้มาให้ความร่วมมือมาเซ็น เขาให้พูดก็ยังร่วมมือในการพูดสรุปแล้วจะใช้ทำอะไรทําให้เท่านั้นเพื่อการปฏิรูปกิจการพระศาสนาเพื่อขับเคลื่อนให้สังคมไทยพ้นวงจรโง่จนเจ็บและมันจะเป็นสุขภาวะที่บึงประสมนั่นคือวัดประชารัฐสร้างสุขก็ขอฝากทุกรูปทุกคนไว้เพียงเท่านี้ในที่สุดนี้ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัย และอนุภาพของพระศรีสาคยะทศพลรายานประธานพุทธทนตสุทัศน์จงและบุญโสมนที่เราระเพนจงมาเป็นตะบะเดชะอรวะปัจจัยอำนวยอวยพรให้การร่วมมือกันในครั้งนี้มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดนความโดนสุขภาวะมาสู่สังคมประเทศชาติพระาศาสนา ตามมโนปนิทานที่เราตั้งไว้ทุกประการเืน